ในเช้าวหนาวมากเหมืกันใช่รู้สึกจะหนาวที่สุดตรงกางที่หนาวไหมแต่มันก็เท่ากันอ่ะคือมันก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกันอ้าเราทําใจให้นิ่งได้มันก็เหมือนกันมันก็หนาวเท่ากันมันเท่ากันมันจะลงเอกสิทธิลงสาบมันก็มันก็ทุกขเวทนาถ้าเราทําใจเฉยมันก็เท่ากัน ถ้าใจเราไม่เฉยมันก็มันก็รู้สึกเจ็ทุกข์มากขึ้นที่จริงมันหนาวมากหนาวน้ออยู่ที่ใจเรามากกว่าร่างกายมันก็ไม่รู้สึกความแตกต่างห้ามองสาวติดองสาวนงสาวมันก็มันก็มันก็เป็นไปตามความจริงของมัน ถ้าสุกใจให้มันอยู่นิ่งๆแล้วมันทุกอย่างมันก็จะท่ากันหมดแลทุกอย่างก็เป็นสมมติที่เราไปให้ความสำคัญกับสมมติเราก็เลยขึ้นลงไปกับสมมติถ้าเราทำใจให้เฉยนะ้วให้อยู่นิ่งให้เป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลง มันก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างกันจเจริญกับเสื่อมก็เท่ากันเกิดกับตายก็เท่ากันหนาวกับร้อนก็เท่ากันหิวกับอิ่มก็เท่ากันเข้าใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นใจไม่ได้เป็นผู้ร้อนหรือหนาวหิวหรืออิ่มเกิดหรือดับ เจริญหรือเสื่อมตามที่เขาเจริญหรือเสื่อมเกิดหระดับก็เป็ น, เ ป, นเป็นตามธรรมดาของเขาเพราะเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ไปเสมอในที่หลงตามกับความเจริญกับความเสื่อมก็จะเกิดความดีใจเกิดความเสียใจ เวลาเจริญก็ดีใจเวลาเสื่อมก็เสียใจแต่มันดีใจแล้วมันก็ผ่านไปเสียใจแล้วมันก็ผ่านไปมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมที่เดิมก็คือที่ <c oughs> ที่รู้หรือที่หลงถ้าที่หลงก็เต้นไปเต้นมา ขึ้นนลงๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆดีใจเสียใจไปกับการเจริญกับการเสี่งต่างๆถ้ากลัมาที่รู้ที่อุเบกขาก็จะเฉยๆเจริญก็เฉยๆเสื่อก็เฉยๆเกิดก็เฉยๆตายก็เฉยๆมันก็เลยเท่ากัน จเจริกับเสื่อมก็เท่ากันเกิดกับตายก็เท่ากันหิวกับเอ็นก็เท่ากันหนาวกับร้อนก็เท่ากันอันนี้เราเป็นจุดที่เราต้องกลับมาหาตอนนี้เราอยู่ผิดจุดกัน <c oughs> แทนที่จะอยู่ที่จุดรู้เราไปอยู่ที่จุดหลงพอนนจุดหลงมันก็ดีใจเสียใจ ไปกับการเจริญกับการเสือ่อมถ้าเราหาจุดรู้เจอเราก็จะไม่ดีใจไม่เสียใจไปกับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆพวกเราทุกคนนี้พอมาเกิดในโลกนี้แล้วเราก็จะต้องสัมผัสรับรู้กับการเจริญกับการเสือ่อม กับการเกิดกับการดับกับการเป็นกับการตายกับร้อนกับหนาวกับสุขกับทุกข์กับการเจริญของราบยศกันและเสียงกับการเสื่อมของราบยศชันและเสริงแต่เวลาที่เราสัมผัสเรา เราไม่ได้สัมผัสด้วยความรู้เราสัมผัสด้วยความหลงเราก็เลยเกิดความดีใจเกิดความเสียใจขึ้นมาเวลาเกิดความดีใจเกิดความสุขมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่แวเวลาเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะทรมานมาก <c oughs> ดังนั้นเราต้องมาศึกษาหาวิธีดึงใจเราให้ไปอยู่ที่จุดรู้อย่าไปอยู่ที่จุดหลงวิธีที่จะทําให้เราเข้าสู่จุดรู้ให้ออกจากจุดหลงก็คือวิธีของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสุขพบวิธีที่จะทําให้ใจได้ยืนอยู่ที่จุดรู้ เกอดรู้ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่วุ่นวายไม่ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษาเพื่อที่เราจะได้ ปรับใจของเราให้ย้ายจากจุดหลงมาสู่ที่จุดรู้ให้ได้ถ้าอยู่ที่จุดรู้แล้วสบายไม่ดีใจไม่เสียใจอาจจะคิดว่าถ้าไม่ดีใจแล้วจะมีความเสุขหรอมันก็ความสุขที่ได้จากความดีใจนี้มันสู้กับความสุขที่รู้เฉยๆไม่ได้ พวกเรายังไม่เคยสัมผัส ก, กับความสุขที่ได้จากการรู้เฉยๆเราก็เลยคิดว่าเรายังต้องมีความดีใจอยู่แต่เราลืมไปว่าถ้าเรามีความดีใจเราก็จะต้องมีความเสียใจเพราะใจมันไม่ยืนอยู่ที่จุดจุดรู้แล้วมันไปยืนอยู่ที่จุดหลงมันก็จะแก่งเหมือนรูปซุ่มนาฬิกา จุดเวลาดีใจก็เหมือนมันแกว่งไปทางซ้ายเวลามันเสียใจมันก็จะแกว่งมาทางขวาใจก็จะแกว่งไปแกว่งมากับความสุขกับความทุกข์ก็จะต้องอยู่กับความทุกไปสเสมอถ้าใจยังไม่นิ่งยังไม่ไม่อยู่ตรงกลางตรงกลางนี่คือจุดรู้ จุดเฉยจุดนิ่งเฉยจุดที่เป็นอุเบกขาถ้าอยู่นิ่งเฉยแล้วกลับจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความดีใจแล้วก็ไม่ต้องไปพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความเสียใจถ้าเราดีใจกับสิ่งใดแล้ว เราจะต้องเสียใจกับสิ่งนั้นต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราดีใจด้วยนะั้นจะต้องเปลี่ยนไปต้องมีวันเฉื่อมต้องมีวันหมดไปเวลาเสื่อมเวลาหมดไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราทุกข์ใจกันและเวลาเกิดคาวามทุกข์ใจนี้มันก็จะทําให้เรา ธรมานมากและอาจจะทำให้เราต้องไปทำความทุกข์เพิ่มขึ้นหน่อยเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ความทุกข์ไม่รู้จักวิธีที่จะดึงใจเราให้เข้าอยู่ตรงจุดรู้จุดตรงกลางก็พยายามที่จะดินหนีจากความทุกข์ เวลาพยายามดิ้นหนีก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมากอย่างเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับปมที่เราผูกไว้แ <c oughs> ทนที่เราจะแกะออกเรากลับไป <c oughs> ดึงปมให้มันแน่นขึ้นไปยิ่งทุกข์ทรมานใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่า <c oughs> เราจะดิ้นหนีจากความเสียใจดิ้นหนีจากความทุกข์ใจ แต่เราดิ้นหนีความจริงไปไม่ได้เราจะดิ้นหนีจากความเสือ่อมจากการดับของสิ่งที่เราดีใจด้วยไม่ได้ <c oughs> ดิ้นไปหาสิ่งใหม่มันก็เดี๋ยวก็เสื่อมเหมือนกันไม่ว่าจะไปหาอะไรมาทดแทนใหม่หือเสียอะไรไปแล้วไปหาสิ่งใหม่มาทดแทนเดี๋ยวสิ่งนั้นก็จะต้องเสือ่อม ก็จะต้องดับไปเหมือนกันเนี่ยเราดิ้นกันมาไม่รู้กี่ร้านกี่แสนชาติแนละ้วดิ้นหนีจากร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายไปแล้วก็ดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาเดี๋ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปดิ้นกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พยายามหาความสุขหาความดีใจกับสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆจึงเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องมาทุกกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่รู้จักแก้ปัญหาที่ถูกทางนั่นเองเราแทนที่จะแก้เรากลับไปผูกมัดปมให้มันแน่นขึ้นแทนที่จะแกะมันออกเรากลับไปผูกมัน ให้มันมีปมเพิ่มมากขึ้นไป <c oughs> ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันที่จะแก้ปมปัญหาของพวกเราได้เลยแทนที่จะแก้เรากลับจะไปผูกปมขึ้นมาใหม่เรื่อยๆสร้างภพสร้างชาติใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ยิ่งสร้างมากก็ยิ่ง ต้องสร้างมากขึ้นไปมันเหมือนกิ้งก้อนถินลงจากสูเขาก้อนหินมันจะไม่กิ้งช้าลงแต่มันจะกิ้งเร็วเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นไปกำลังมันจะมีมากขึ้นไปมากขึ้นไปนี่การแก้ปัญหาของพวกเราก็คือแก้ด้วยความอยากเวลาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทาํา ก็แก้ด้วยความอยากอยากไปเที่ยวอยากไปหาคนนั้นคนนี้อยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างคนที่แก้ปัญหาด้วยการไปเสพยาเสพติดดืสุรายามา <c oughs> สูบบุรี่ช้อปปิง้งซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นี่คือการวิธีแก้ความทุกข์ของเราทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว่าเวเลยทุกข์ที่เกิดจากเวลาที่ไม่มีอะไรจะทํา <c oughs> ใจก็จะโงกต้องหาอะไรทําก็จะไปทํากับเรื่องของรูปเสียงสิริรสโสดพระในรูปแบบต่างๆเสพยาเสพติด เดินสุราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อท้าซื้อของซุ้มซวยต่ตางๆพอแก้ปัญหาแบบนี้แทนที่ความหงุดหงิดลาคาใจเวลาอยู่เฉยๆมันกลับเพิ่มความหงุดหงิดเพิ่มมากขึ้นต้องแก้บ่อยขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแก้ไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันหมด ความเดือดความทุกขความไม่สบายอกไม่สบายใจเวลาที่อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวก็จะทุกไม่มีวันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปจนไม่มีแรงที่จะแก้ไม่คือร่างกายไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้ก็ทุกข์อีกตัวแก้ไม่ได้แล้วก็พอตายไป ก็ต้องไปหาร่างกายอันไหนเพราะไม่อยู่แบบไม่มีร่างกายไม่ได้ต้องมีร่างกายเพื่อที่จะได้มาแก้ความหยุดหงิดความลำพานใจต่ออันนี้คือวิธีแก้ของพวกเรา <c oughs> แต่วิธีแก้ของพระพุทธเจ้านี้ท่านหยุดความอยากเวลาอยู่เฉยๆหงุดหงิด ท่านก็ภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบก็ใจก็จะหายจากความหยุดหใจเข้าสู่จุดรู้จุดอุเบกขาจุดที่ไม่มีความอยากท่านก็เลยรู้ว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริง แต่เป็นการแก้ชั่วคราวก็เพราะว่าเวลาออกจากความสงบความหงุดหงิดก็จะกลับคืนมาความอยากจะแก้วความหงุดหงิดด้วยการกระทําต่างๆสิ่งต่างๆก็จะตามมาถ้าอยากจะแก้วความหงุดหงิดอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่า การแก้ความทุกข์ใจด้วยการกระทำตามความอยากกับการเป็นการยืดความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นไปให้ยาวออกไปวิธีที่จะแก้ต้องแก้ด้วยการไม่ทำตามความอยากพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่จะมาทำให้เราหายทุกข์ยากนี้มันมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวร ได้มาเราก็ดีใจใหม่ๆเเล้วเวลาเขาเสื่อมไปเปลี่ยนไปดับไปเราก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมกลับมาที่ความไม่สบายใจกลับมาที่ความทุกข์ใจแล้วก็ให้เราพยายามที่จะดูแลรักษาสิ่งที่เราให้ดีขนาดไหนก็ตามเราก็จะไม่สามารถที่จะไปยับยั้ง ความเสื่อมความดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราเอามาแก้ปัญหาให้กับเรางนี้เราก็จะกลับมาอหยี่ที่จุดเที่ไม่สบายใจทุกข์ใจหนวดเหยีดลำคาญใจเข่าส้อยหนอยเหวาว้าเหว่าเปล่อแล้วเราก็จะไปทำ ตามที่เราเคยทำํำแต่ถ้าเราได้พบกับวิธีแก้ที่ถูกก็คือวิธีทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็รู้ว่าเราต้องกลับไปที่จุดนี้กลับมาที่จุดที่เป็นอุเบกขาและการที่จะกลับมาสู่ที่จุดที่เป็นอุเบกขาก็คือก็ต้องไม่ทําตามความอยากตรนพอเราไม่ทําตามความอยากความอยากนั้นก็จะ อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็จะหมดไปภายในที่สุดพอหมดแล้วเราก็จะอยู่ที่จุดรู้อยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้ถ้าเรามีปัญญาคอยสกัดความอยากทุกรูปแบบที่จะดึงให้เราออกจากจุดรู้ไปสู่จุดหลงไปสู่ความทุกข์ อันนี้แหละคืองานของพวกเราที่เราจะต้องพยายามทากันให้ได้คือพยายามดึงใจของเราให้ออกจากจุดหลงให้มายืนอยู่ที่จุดรู้ก็ต้องเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของการรักษาสีด้วยการทำทานทานนี้มีไว้สำหรับสกัด ความหลงที่จะไปแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินทองแก้ปัญหากันวันนี้เราใช้เงินทองแก้ปัญหาใจกันเราไม่สบายใจเราก็ออกไปเที่ยวกันไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังกันก็ต้องใช้เงินทองเมื่อเราใช้เงินทองมาแก้ปัญหา เราก็สร้างปัญหาให้กับเราเพราะเราก็ต้องไปหาเงินทองมาหาเงินทองมาแล้วก็มาแก้ปัญหาที่ไม่มีวันจบไม่มีวันขึ้นแก้กันไปอย่างนั้นวนกันไปอย่างนั้นหาเงินมาก็ไปสร้างปัญหากับการหาเงินนีกต้องไปทุกข์ไปเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองแล้วพอได้เงินมาก็เอามาแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางทําให้ ปัญหามันยืดเยื้อต่อมันไม่หมดไปถ้าจะแก้มันหมดก็คือเอาเงินทองที่จะไปแก้ปัญหาแบบเดิมๆนี้มาแก้ตามที่พระเจ้าได้ส่งแก้คือเอามาทําทานเถอะเช่นปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่บ้านท เ, เงินที่จะเที่ยวนี้เอาไปทําบุญทําบุญทาทานทําที่ไหนก็ได้ ทำที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้ที่บ้านก็ได้ทำกับพ่อทำกับแม่ทำกับผู้ที่มีพระคุณทำกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำแล้วเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกทางเราจะได้หยุดแก้ปัญหาหยุดแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินทอง เพื่อไปทําตามความอยา ก, กต่างๆเรารักษาศินก็เช่นเดียวกันรักษาสินก็เพื่อสกัดไม่ให้เราไปสร้างปัญหาเพิ่ขึ้นเพราะการทํำบาปนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่มันจะทําให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นเช่นเราขาดเงินขาดทองเราก็ไปลักขโมยหรือไปโกหกหลอกลวงเอาเงินของผู้อื่นมาใช้ ใคแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะคืนก็ต้องถูกเข้ามาตามทวงหนี่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องถูกจับขึ้นขึ้นศาลขึ้นอะไรกันปิดคุกติดตารางไปเราต้องต้องรักษาศีลกัน ต, ต้องไม่ทำบาปต้อง ต้องทำทานอย่าเอาเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาทางใจของเด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆถ้าเราหยุดการใช้เงินทองเพื่อแก้ปัญหาทางใจเราก็จะไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินทองมา ถ้าจะหาจะหาเท่าที่จําเป็นหาพอให้มาแก้ปัญหาทางร่างกายคือหาอาหารหาที่มาสายเครื่อนงนุ่มหอมยารักษาลลุก็ไม่ต้องเสียเวลามากก <c oughs> ็จะทําให้เราได้มีเวลามาแก้ปัญหาใจาของเราคือมาบำเพ็ญกิตตะภาวนามาบําเพ็ญสมมถะภาวนาวิปัสนาภาวนา การเจริญสมถภาวนาก็ต้องจเจริญสติก่อนต้องมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งให้หยุดให้ได้ถ้าความคิดปรุงแต่งไม่หยุดก็จะไม่เกิดผลสมถะภาวนาก็จะไม่เกิดใจจะไม่เข้าสู่จุดนู้ใจก็จะอยู่ที่จุดหลงตัวที่ทำให้ใจอยู่ที่จุดหลงก็คือความคิดปรุงแต่งของเรานี่เอง พอเราคิดนะเราแคคิดไปตามความหลงอวิชาปัตยาสังขาราความหลงเป็นผู้ผลักดันให้ความคิดให้เราคิดปนแต่งกันคิดว่าอันนั่นกะดีไอ้นี่จะดีคิดว่าอันนั้นจะให้ความสุขกับเราอันนี้จะให้ความสุขกับเราคิดว่าอั น, นั้นเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นนิจจังคปสุด ข, ขังเป็นอัตตา นี่คือความคิดของพวกเราเราคิด อ, อย่างนี้แล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดกามะตัณหาเกิดภาวะตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาจิตมันก็จ ะ, จะยืนอยู่ที่จุดหลงจะไม่มีวันออกจากจุดหลงได้ถ้าเราไม่มีสติคอยดึงใจให้หยุดคิดปรุงนอืม ถ้าใจหยุดคิดปรุงแต่งแล้วใจก็จะเข้าสู่ที่จุดรู้สักแต่ว่ารู้แทนตัวแทนพลังจัมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยพอความคิดปรุงแต่งหายไปก็จะเหลือแต่ตัวรู้โผล่ขึ้นมาผู้รู้โผล่ขึ้นมานี่นเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือจุดที่เราจะต้องยืนต้องอยู่คืออยู่ที่ตรงจุดรู้อย่าไปอยู่ที่จุดของ จุดหลงก็คือคิดปรุงแต่งไปต่างๆนั่นนะอ้นั่นจะดีไอ้นี่จะดีอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะเกิดความอยากล้วก็ต้องดิ้นนะนะอยู่เฉยๆไม่ได้ <c oughs> ต้องดิ้นไปทำ <c oughs> ไปทำตามความอยาก <c oughs> มันถึงจะมันถึงจะหาย <c oughs> จากความดิ้นรน เราต้องมาบำเพ็ญจิตติภาวนากันให้มักาเจริญสติให้มากๆตั้งแต่ดตื่นเลยสตินี้เราจเจริญได้ตั้งแต่เราตื่นตอนเรานึ่งตาขึ้นมาปั๊บเราก็ตั้งสติดึงจิตไว้ให้อยู่กับปัจจุบันเลยให้อยู่ติดกับร่างกายอย่าปล่อยให้มันไปที่อื่นหรือให้อยู่ติดกับพุโทโธก่อนจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็ถามว่าตาม น, นี้จิตเราอยู่ที่ไห น, น อยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือไปอยู่ที่ทำงานแล้วหรือไปอยู่ที่ไหนแล้วร่างกายยังอยู่ตรงนี้เลยแต่จิตไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจริญให้ได้ดึงจิตให้อยู่กับกายก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้เพื่อไม่ให้มันไปกับความคิดตรงแต่งสังขารไปกับความหลง ถ้าไปคิดปุงแต่งแล้วมันก็จะไหลไปลมันก็จะไปเิ้นนวไปไปตามความอยากต่างๆดันั้นเราต้องเจริญสติให้ได้ถ้าเจริญสติได้เวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะรวมเข้าสู่เข้าสู่จิดรู้ได้เข้าสู่จิดอุบเบกขาได้ พอเข้าสู่จุดนั้นแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบจากการที่ได้เข้าสู่จุดรู้นี้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทํากันให้ได้ถ้าเรา ไม่ถึงจุดนี้เราก็จะยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วการถึงถึงจุดนี้ด้วยสมถะภาวนาก็เป็นการแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเป็นยังไม่ถาวรเพราะว่าเราจะไม่สามารถอยู่ในจุดนี้ได้ตลอดเวลานั่นเองพอเราเลืมตาขึ้นมาพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมา มันก็จะไหลไปสู่จุดหลงอีกเราถ้าอยากจะให้มันอยู่ที่จุดรูปต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสกัดความคิดไม่ให้มันไปทางนั้นมันจะไปตามทางความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาสกัดมันใช้อนิจังทุกขังอนัตตาครับอยากได้อะไรก็พิจารณาสิ่งที่อยากได้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็จะมีความทุกข์ตามอยู่คนเดียวเหงาอยากจะมีแฟนอยากจะมีภรรยาอยากจะมีสามีก็ก็ต้องไปหาสามีหาภรรยาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกกับสามีทุกกับภรรยาพระภรรยาสามีไม่นิ่งไม่เหมือนเดิมได้มาแล้วเดี๋ยวก็ ต้องมีการงถ้าได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปมีความอยากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสปุภาพราบยศจนละเสริญต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้จะสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้ เขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีวันที่เขาไม่ดีความสุขที่เราจะเคยได้จากเขาก็หายไปนก็จะได้แต่ความทุกข์กลับคืนมาถ้าเห็นว่าเขาเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากจะจะได้ไม่อยากได้เขามาไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลก็เหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะสะกัดใจไม่ให้ไปโงงกับสิ่งต่ตางๆได้ก็จะดึงใจให้ยืนอยู่กับจุดรู้เฉยๆได้เวลายืนอยู่กับจุดรู้ได้นี่มันสบายมันอิ่มมันพอมันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของ การแก้ปัญหาของเราตอนนี้พวกเรายืนอยู่ตรงจุดหลงเราต้องดึงจิตของเราให้ออกจากจุดหลงให้กลับมาให้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ด้วยการทําทานถ้าเรามีเงินมากเกินไปถ้าเราจะต้องเอาเงินนี้มาแก้ปัญหาทางใจเราก็ต้องหยุดแก้เหมืนอนหยุดใช้เงินแก้เพราะเงินนี้แก้ไม่ได้เช่นไปเที่ยว ไปดื่มไปรับประทานไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปเป็นใหญ่เป็นโตอยาจะเป็นนั่นเป็นนี่ <c oughs> แก้ไม่ได้เราต้องแก้ด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเท่านั้นแก้แบบพระพุทธเจ้าสเสด็จออกจากพระราชวังบำเพ็ญอยู่ในปา่ารักษาศีลให้สะอาดลอยสุด แล้วก็จำระใจด้วยสมถะและวิปัสนาภาวนาชำระความหลงให้ใจได้มายืนอยู่ที่จุดรู้จุดที่ไม่หลงถ้าอยู่ที่จุดรู้จุดที่ไม่หลงแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอะไรจะเจริญอะไรจะเสือ่อ <c> ม <oughs> ก็จะเฉยๆเท่ากัน หนาวเท่ า, ทานี้หนาวเท่ า, ทานั้นมันก็หนาวเหมือนกันร้อนเท่านั้นร้อนเทาน่านี้มันก็ร้อนเหมือนกันถ้าใจมันเฉยแล้วมันไม่เป็นปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวอิ่มหรือหิวเ <c oughs> จ็บหรือไม่เจ็บแก่หรือไม่แก่ตายหรือไม่ตายไม่เป็นปัญหาทั้งนั้น เพทุกสิ่งทัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรกับใจเลยใจไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆใจเป็นเพียงผู้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆเท่านั้นเองแต่รับรู้ด้วยความหลงรับรู้แล้วก็สร้างอารมณ์ขึ้นมามาทำลายตนเอง มาดีใจมาเสียใจกับสิ่งที่ตนเองไปรับรู้เพราะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเองเราไปหลงกับเขาเองไปหลงว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพออะไรเป็นของเราปับ๊บนี่ก็วุ่นวายขึ้นมาคนทีถ้าไม่เป็นของเรานี่สบายบ้านคนอื่น น้ำจะท่วมไฟจะไม้ เ, เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นบ้านของเราขึ้นมาเมื่อไหร่เดือดร้อนขึ้นมาเมาื่อนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราให้ดู้เฉยๆถ้าเป็นตัวเราของเราก็ให้รู้ว่าเป็นของเราชั่วคราวไม่ใช่เป็นตัวเราของเราที่ถาวรถ้าวันก็จะต้อง จากเราไปนี่เราจะต้องจากเขาไปให้คิดอย่างนี้พิจารณานี้ด้วยปัญญาให้เจริญสติพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อไม่ให้ไปคิดนี่คิดนี้แล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้มากเดินจงกรมให้มากเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิมีปัญญาที่จะ รักษาใจให้อยู่ให้รู้เฉยๆให้สัจจะว่าโ้ไม่ให้ไปหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าเป็นคนว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาอันนี้เป็นความหลงทั้งนั้นความจริงแล้วเขาก็เป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เกิบตาย ตัวเขาเองก็ไม่ได้เกิดแก่เก็บตายไปกับดินหน้ามันไปตัวของเขาก็เป็นตัวรู้เหมือนกันแต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองเขาหลงเท่านั้นเองเขาก็เลยไปทุกข์กับสิ่งที่เขาหลงเวลาที่เขาต้องสูญเสียจะต้องพัดพลาจากสิ่งที่เขารักเขาชอบไปเขาก็เสีย อ, อกเสียใจทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเขารู้เหมือนกับเรารู้ เขาก็จะไม่ทุกข์เวลาเขาจากสิ่งที่เขาไปเขาก็ไม่ทุกข์เวลาเราจากสิ่งที่เรารักไปเราก็ไม่ทุกข์เวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ไม่รักไม่ชอบเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะรู้เฉยๆนี่คืองานที่พระเจ้าได้ทรงทำสำเร็จแล้ว แล้วก็นําเอามาแบ่งปันให้กับพวกเราเรียกว่าธรรมทานคงให้ธรรมะกับพวกเราถ้าพวกเรานํามาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้ไปยืนอยู่ที่จุดเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปยืนกันก็ยืนที่จุดนู้นนี่แหละจุดที่เป็นอุเบกขา จุดที่เป็นปรมังสุขขังนี่อยู่ตรงนี้อยู่ที่การทำทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การบำเพ็ญสมถะภาวนาละวิปัสสนาภาวนาดังนั้นเราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่วันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับไม่ถอยหลังกลับ เวลามีแต่จะหมดไปตอนไม่เพิ่มให้มีมากขึ้นมันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะได้บำเพ็ญได้ทำทานได้รักษาศีลจะน้อยลงไปเรื่อยๆเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ทำเราก็ขาดทุน ถ้าเราทําเราก็จะได้กำไรอยู่ที่เราไม่มีใครบังเพนให้เราได้ไม่มีใครเตือนเราได้นอกจากเราต้องเตือนตัวเราเองโดยการเราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆรืเราลึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปอยู่ทุกวินาทีว่าเวลาเราน้อยลงไปทุกวินาที ท้กข์วินาทีเราจะมัวมาหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำไมสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะในวันหนึ่งเราจะต้องจากเขาไปหรือเขาจะต้องจากเราไปแล้วเรามัวไปไปวุ่นวายกับเขาทำไมทาไมไม่ปล่อยให้เขาไปเสียตั้งแต่ปบันนี้ แใ น, นเมื่อเราจะต้องจากกันในวันข้างหน้าอยู่ดีทําไมเราไม่จากกันเสียตั้ตอนนี้จากในขณะที่เราตั้งใจนี่มันไม่ทุกข์แต่ถ้าจากโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่พร้อมใจนี่มันจะทุกข์วิธีที่จะทําให้เราจากกสิ่งเหล่านี้ก็คือทําทางเราเสียเรารับเงินก็ให้มันจากาไปตลาดมันไป รักสมบัติเจ้าของเงินทองเจ้าชลเงินไต่รักสามีภรรยารักลูกจะจากกันไปไปอยู่คนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าท่านพร้อมที่จะจากกับสิ่งแต่างเหล่านี้ไปท่านจึงไม่ทุกเวลาที่ท่านจากไปถ้าเราไม่พร้อมถึงเวลานี้มันจะทุกข์มากสึงแตกต่างที่เราลัางที่ให้ความสุขกับเรานี้จะช่วยเราไม่ได้ <c oughs> เวลาที่เราจะต้องจากเขาไปาเรารีบ ท, ทําเชื้ตั้งแต่แบบ น, นี้พอวันเวลามันมีแต่มีแต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วไม่นานก็จะหมดตอนนี้อายุเท่าไหร่ถึงนเข้าไปนะจาก50มันก็จะเป็น60 60มันก็จะเป็น70 70มันก็จะเป็น80 ตายังอยู่เหมือนเดิมอยู่มันจะได้ไประโยชน์อะไรมันไม่มีการพัฒนาการขึ้นมาอยู่ไปก็เสียเวลาไปอยู่ไปก็ขาดทุนมันต้องมีการพัฒนาทางจิตใจจิตใจต้องรู้มากขึ้นหลงน้อยลงเป็นอุเบกขามากขึ้นถึงจะเรียกว่ากำไร ถ้าสามารถยืนหยัจดจดดูได้ตลอดเวลาก็ถือว่าได้กําไรเต็มที่ได้หลุดพ้นจากบ่วงมานบ่วงของกิเลสปัญหาบ่วงของการเวียนว่ายการเกิดนั้นขอให้พวกเราพยายามเร่งความเพียรกันวันเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆมีแค่อีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วปีนี้หมดแล้วก็หมดไปจะไม่กลับมาหาเราอีก สองพันห้าร้อยห้าสิบสองนี้จะเป็นพันจำต่อไปจะไม่มีวะดสองพันห้าร้อยห้าสิบอนเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ขอให้เรารีบทำในสิ่งที่เราควรทำกันแล้วควรหยุดทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำกันไม่เช่นนั้นเราจะติดกับอยู่กั บ, บวงของมานอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรการวลาหอยุติไว้เพียงเท่านี้น่าจะอนุโมทนาให้พอตอนเดินมาวันนี้มีปัญหาอะไรมไม่มีต่างก็จะแกต่างกันตางทุกอยมันก็สองันก็คนต ทุอย่างที่ท่านา ก, กรายเพื่อที่ท่านระนก็ทบีเแล้ว ก, กิเลสมันยอมนีไม่ไฟังไหมมันไม่ยอมนีก็ได้แต่ถ้าจะถ่ายดีเมื่อภาพดูก่อ น, อ น, นที่เรามาดง้นมัน <c oughs> จะเหมือนตูกต้นไม้นะมันค่อยๆขยับไป ถ้าจะดูวันต่อวันมันก็คงจะไม่เห็นความแตกต่างมากครับแต่แตแตเไปอยู่เป็นักวป่าอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นใช่ไหมเออปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกอยู่ที่ความอยากของเราความยึดติดของเราเคายมีอะไรก็อยากจะมีต่อไปเราจะต้องสูญเสียไป เรื่อมีการเปลี่ยนแปลงกันก็ไม่สบายใจไม่พอใจใน ม, มองความจริงว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่มีอำนาจที่ไปห้ามมันได้เราต้องรับพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอมีภาษาสันติ ล, ลูกลูกสาวเมื่นะคะเขาเป็นชาตคนที่นับถือศาสนาอิสลามชนมิดศาสนาอิสลามที่เดนมากแหละ เขาทำอะไรที่แบบผิดกติมาย่าเื่อเกียริยศมีความคิดที่แปลกปรหลดอะนี้นะคะเราะทราบว่าเขาไปไปชอบกับคนที่นักสืสตว์ปนาอิกลมเห็นเขาใช่พอใจแต่ไม่ชอเพราะความจำเนี่ยมันจาได้ว่าคนที่นักืสัตว์ป่าอีกลำี่ไม่ไดว่านะครับะแต่พูดถึงความจำที่เคยจำได้นีว่าไม่ดีมดีนี้ก็ มันลองคิดพิจารณาดูเห็นว่าท่านอาจารเคยชื่อยู่ครั้งนึงนะครับก็อยากให้กินเขาเขาเป็นร้่งแต่อยากอยากได้ก็อยากเพิ่มความคานี้ได้นะคบเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเป็นอรเขาจะเป็นเราก็ทำเขาเรื่องค่ะเอก็เลยทำใจได้ใกล้ใกล้แนวขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเราก็ก็มาหเขไปจะช่วยทุกอย่างถ้าก็ชอบอย่างนั้นก็โอเคเลยนะมันก็สบายขึ้นใจก็ไม่ทุกันค่ะแค่มันเห็นชัดเลยตอนตอนพอมีปัญหาแบบนี้พอนนกถึงคำสอนของท่านผ้อาวมีอยู่คำสอนสมัยแรกๆที่ท่านผู้อาารย์สอนว่าลย จะพายเรือเขาข้ามฝั่งแล้วก็จะกระโดดลงจากเรือนี่มหลจะไป้นก็ได้นะเขาเป็นใครมาจากไอนก็เรู่แลวมันตรงนี้ก็ไปยุ่งของเราไปยุ่งกัีตเข้าเขาเขาคิดได้อย่างนี้ก็คุตาไมีนึกคิดก็่าช่างาเขาจะยังไงก็ช่าขาแต่มีปัญหาก่หมอจะช่วยตามหน้าที่ก็ดีแล้วแหละพยายาม ทำต่อไปปล่อยให้มากกว่า น, นี้ยังติดอะไรอยู่ก็พยายามปล่อยมันพยายามแก้ปมอย่าไปผูกมันอย่าไปมีความผูกพันกับอะไรพอเวลาที่ไม่เป็นไปดังใจแล้วเราเราจะทุกข์มากออ พยายามทําใจให้สงบให้มีสติให้มางให้มีปัญญาให้มางแล้วมันจะแก้ปัญหาได้หน่อยถ้าเรายังมีปัญหาเกิดขึ้นก็ทำจำลองปัญหาไปก่อนสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยมันจะต้องมีปัญหาขึ้นมาทั้งวันไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นสมบัติเป็นบุคคล มันจะต้องเป็นปัญหาร่างกายของเราก็จะต้องเป็นปัญหามันจะต้องแก่มันต้องเจ็บมันจะต้องตายไปจำลองไปหาหมอแล้วหมอก็บอกเอ้ยทาทางคุณจะเป็นมาอะไรกันนั่นเองมันจะทำยังไงทำการบ้านไว้พอไปเข้าห้องสอบจะได้เฉยได้ไม่ให้ทำอะไรให้เฉยไดนั้นเอง ไม่เห็นจะยากเอนตรงไหนเลยเพราะทาอะไรก็ไม่ได้มันเป็นมะเร็งก็ไปเปลี่ยนมันได้ที่ไหนมันเป็นมะเร็งก็ไปบอกให้มันไม่เป็นมะเร็งได้หรือเปล่ามันก็เป็นแต่ใจเราอย่าไปเปลี่ยนสิใจเรามีความสุขตอนที่ไม่เป็นมะเร็งตอนที่เป็นมะเร็งก็มีความสุขต่อไปสิมันคนเราเลื่อนกันคนละคนกั น, น, น, เ, นเรื่องมะเร็งมันเรื่องของร่างกายใจเราไม่ได้เป็นมะเร็งซะหน่อยเราจะไปวุ่นวายกับมันทํำไม เวลามันไม่เป็นมาเรลงเรามีความสุขได้เวลามันเป็นมาเร็งเราก็ต้องมีความสุขได้เพราะเราไม่ได้เป็นมันเนี่ยเราไปหลงมันเองไปหลงคิดว่ามันมันเป็นเราเรายังอยากจะให้มันอยู่กับเราต่อไปพอมันบอกเป็นมาเงลงก็แสดงบอกว่ามันจะไปแล้วทางนั้นเองมันมายื่นใบาลาแล้วบอกว่าผมจะขอลาออกภายในหกเดือนจะไม่ร่วม ง, งานกับบริษัทของคุณแล้วก็ทํานั้นเอง เขามาลาก็ปล่อยก็ไปนี่จะมีอะไรชไมไปห้างก็ได้นี่ไหนเขาจะลาออกเงินเดือนเขาไม่เอาแล้วเราสบายแล้วไม่ต้องเลี้ยงเขานะไม่ต้องหาข้าวไหมเขากินไม่ต้องดูแลเขาสบายจะตายก็ไม่เอาเองอย่างที่เวลา สามีภรรยาอยากกันก็ไม่แย่งลูกกันแย่งกัน Down? ทาไมใครอยากจะได้เอาไปเลเราไม่เอาเอเรื่อง้มันเหนือ่อย้ำไมคุณอยากได้แล้วยกให้คณเลยตอนกลางเวนเลยครับตอนมาสองวันได้รั บ, บแบบข้อสำคัญทือดีเข้าห้าาองน้ำตอนค่ำสองทุมแล้วประตูห้องน้ำมันล็อก แลบ้านเาอยู่บ้านคนเดียวให้ออกจากห้องไม่ได้ติดอยู่ในนั้นทั้งคืนทำไมบกุกพี่เ่านใจบอกว่าให้ฝึกอยู่ในห้องคนเดียวครับเขาถึงสว่างเลยคนระับพอดีพนะอดีมีน้องน้องเขามาที่บ้านนั้นหกโมงเช้าไม่งั้นออกมาไม่ได้นไะง ดีน่าจะไม่มีใครเข้าไปเลยดี๋ยวได้บรรลุในนั <si> to, ้นเลยบรรลุในห้องน้ํำถ้าหยุดความอยากออกจากห้องน้ําได้ก็สบายแล้วอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันจะตายมันจะตายในนี้ถ้มันตายตรงนี้อความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเอง ทำเวลาอยากเข้าห้องน้ำท่านเหม็นทุกข์อ่ะท่านรีบวิ่งเข้าไปเมันทุกข์ตอนที่อยากจะออกจากห้องน้ำถ้าอยากเข้าเหม็นทุกข์เลยถ้าอยากจะอยู่ในห้องท้นไม่ทุกข์ใช่ไหมใจขงเรามันแกว่งไปแกล้งมาอยากแล้วก็ไม่อยากเวลาอยากเข้าห้องนะำพอเข้าเสร็จแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วนันมันไม่ มันไม่มีความอะไรถาวรเลยอยากอยู่ในห้องน้ำก็อยู่ไปด้วเอามาอยากเข้าใครบอกให้คุณเข้าไปลคุณก็เข้าไปเองไม่เห็นเนี่เห็นชั้นน่ยความทุกข์อยู่ที่ความอยากฉั้นต้องพยายาม เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญามามาหยุดความอยากปัญญาก็ต้องมีสมาธิสมาธิก็ต้องมีสติถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเริ่มที่สติถ้ายังยืนไม่ได้อย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งวิ่งหัดยืนให้ได้ก่อนถ้ายืนได้แล้วก็จะค่อยเดินได้พอเดินได้แล้วก็จะวิ่งได้ การยืนวยการมีสตินี่ถ้าไม่มีสติก็แบบล้มลุกคลุกคลังสเปะสปะเหมือนคนเมาเล่าคนนี้แสดงว่ามันมีสติคนเมาสุราที่ทําอะไรไม่ได้สเปสะสปะเดินไปก็ลมม้มเตะนู่นเตะนี่พอหายเมาแล้วก็มีสติออกเดินได้แนละ้ววิ่งได้แนละ้วตอนนี้พวกเรายังเมากันอยู่เหมือนคนเมาเลย ไม่มีสติสตางคนนมีก็น้อยไม่พอกับที่จะทำให้ใจเป็นสมาธิได้พอไม่มีสมาธิแล้วใช้ปัญญาไงก็ไม่เกิดผลเพราะจะไม่มีกำลังประยุดความอยาก็ต้องฝึกสติให้ให้มากๆถ้าได้สติแล้วมันก็จะไหลไปเอง มันก็จะพัฒนาเป็การพัฒนาการมันเป็นขั้นขั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือต้องท่องกอไก่เพราะไข่ใจให้ได้ก่อนพอท่องกอไก่เพราะไข่ได้ก็หัดสะกดได้สะกดได้ก็อ่านได้เขียนได้ต่อไปก็เข้าใจความหมายมันเป็นขั้นขันเราไปข้ามขั้นตอนนี้ได้ถ้าเราไม่มีสตินี่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ เห็นต้องพยายามฝึกสติตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยหาเอาเขียนป้ายสติไว้เต็นบ้านเลยมองไปไหนสติสติหมดดูที่มันจะเตือนเราได้เปล่าเขียนป้ายสักนิปันมองไปประตูตตตที่ไหนก็มีสติสติปัจจุบันสติปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่โน่นอย่าไปที่นั่น ปัจจุบันก็เกิดที่นี่เดี๋ยวนี้ให้จิตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นร่างกายทําอะไรจิตก็อยู่ตรงนั้นอยากไปอยู่ตรงตรงนู้นปีใหม่เดี๋ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนดียังไม่ถึงเลยตอนนี้คิดไปก่อนแล้วไม่ก็อยู่กับเนื้อกับตัวเลยใจ ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องก็ไม่มีสติเห็นถ้าอยากจะให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องมีเรื่องราวมากมันถึงจะอยู่ได้ถ้ามีเรื่องเรื่องราวมากก็อยู่ไม่ได้อยู่คนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็คนนั้นจัดงานคนนี้จัดงานวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ า, ท, าที่บ้านนู้นที่บ้านนี้ต้อซื้อของขวัญให้คนนั้นซื้อของขวัญให้คนนี้เนี่ย ใจมันก็วุ่นไปหมดไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว <c oughs> แล้วเป็นไงเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวพอวันที่สองก็กลับมาเหมือนเดิมแค่น้น <c oughs> สิ้นปีหน้าต่อ <c oughs> ตะคุกเงาไปเรื่ยวิ่งตะคุกเงาไปเรื <c oughs> อ่อยพยายามมองเงาที่ทอดอยู่ข้างหน้าอ้เดี๋ยวสิ้นปีแล้วเดี๋ยวได้ไปเที่ยวแล้ว อย่าไปกินเลี้ยงแล้วไปสังสรรค์กันนะ้พอผ่านไปนั้นก็มองไปทั้งหน้าต่ออองานนั่งต่องานนี้ต่อไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยใจเลยไม่เคยมีความสุขความอิ่มความพอมีแต่ความหิวความอยากความต้องการอยู่เรื่อยเพราะใจไม่หยุดต้องหยุดใจด้วยสติ ถ้าใจหยุดแล้วใจก็จะอิ่มจะพอจะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากจะไปฉลองไปเลี้ยงอะไรกับใครฉลองคนเดียวก็ได้ทำไมต้องไปฉลองกับคนอื่นเราฉลองเราทุกวันคนเดียวเราไปที่จุดที่สงบนั่นแหละเป็นการฉลองที่ดีที่สุด พยายามก็ให้ให้เข้าถึงจุดนี้ให้ไดนะ้มันอยู่ในตัวเรามันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในอย่าออกไปหาตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปออกไปหาตามสถานที่ต่างๆมันอยู่ตรงเราอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่มันจะหลอกเราเราอยู่เดนหมามันก็จะบอกว่ามันอยู่ที่เมืองไทยพอกมาเมืองไทยมันก็จะหลอกให้เรากลับไปที่เดนหมารนะ์กแล้ก็ แข่งไปแว่งมาทิ้งไปกิ้งมาอยู่ไม่ยอมอยู่กับที่เนี่ยอย่างบอกเขว่าอยู่ที่ห้องน้ำหมดละไม่ต้องวิ่ต้องออกไปเราจุดสงบมันอยู่ที่ห้องน้านั่นแหละเราอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเนี่ย ทำใจให้สงบแล้วมันจะมีความสุขทันทีมันจะไม่อยากจะออกจากห้องน้ํำเลยสงบมันหนาวอ่ะไม่หนาวหรอกทำมันสงบจริงๆมันไม่หนาวมีมีคนมาแล้วมันติดจนมถึงวันอาทิตยี่อาจารย์บอกเลยอาจะสับสนทังวันเลยนไอ้สอบแฟนคุณไม่กล้าล็อกห้องน้ําถ้าอยู่ในบ้านคนเดียวทำไมน้กเรียนใส่ทำงานนักเรียนใส่อกรันบการจะไปข้องหมา มาปีไม่สิยือเสียเรามาล็อกตัวเองไม่ได้ล็อกใครหรอกเนี่ยของป้องกันตัวเองสัญญามามามาทําลายตัวเองนั่นเอาปืนเอาไี้มาป้องกันตัวเองไงที่สุดก็มาฆ่าตัวเอง <c oughs> ถัาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่างนี้แล้วมันก็จะไม่กลัวไม่ต้องมีอาวุธมาป้องกันถึงเวลาก็ไม่มีอะไรป้องกันเราได้ <c oughs> ขอให้มีอารักขามียามีห้องที่ปลอดภัยมันก็ตายในห้องที่ปลอดภัยนั่นแหละความตายมันก็อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ร่างกายร่างกายมันเป็นระเบิดเวลามันมีระเบิดเวลาของมันอยู่แล้วตรงเวลามันก็ระเบิดพูดถึงคนอยู่ใกล้หมอก็ตายหมดเลยนะหมอก็ตายแต่ว่าแต่ใกล้หมอตายกันหมดนั่นเองมันตายหมดเราไม่พิจารณาความตายกันไง มันก็เลยหลงกันธรรบปิดาความตายแล้วไม่วุ่นวายกับเรื่องความตายเลยไปวุ่นวายให้เหนื่อยทำไมของง่ายๆเช่นี้ทําไม่ได้พิจารณามันดูเดี๋ยมีใครไม่ตายหรอยู่ที่ไหนก็ตายอย่างนั้นขอทานข้างก็หลงก็ตายพระราชาหมากษัตริย์ก็ตายแล้วไปกังวลกับมันทําไม ก็ดูแลมันไปตามอัตภาพของเราพ อ, พอตามเหตุตามผลไม่สบายก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ตายหรือไม่หายก็อยู่กับมันไปจนกามันจะตายจากเราไปอย่าไปทุกข์กับมันไม่คุ้มค่าความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นกับเราเราไปผลิตมันขึ้นมาแค่น เราเราไม่รู้จักวิธีหยุดมันเราปล่อยให้มันผลิตความทุกข์ให้เราอยู่เรื่อยๆเพราะเราคิดว่าเราเป็นความสุขพอผลิตขึ้นมาถึงจะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์แต่ก็สายไปแล้วให้นั่นกด็ดีให้นี่กด็ดีพอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดถูกหลอกอีกแล้วไม่ใช่ใครหลอกกราเราหลอกตัวเราเอง พยายามพิจารณาความเสื่อมอยู่เรื ok ่อยๆวจะไม่หลงพิจารณาความทุกข์อยู่เรื ok ่อยๆความส่วนมันก็มาความทุกข์มันก็มากับความเสื่อมนี่ Alle. แหละถ้าเห็นความเสือ่อมมันก็จะเห็นความทุกข์มันก็จะไม่อยากได้สิถ้าไม่เห็นความเสือ่อมมันก็จะคิดว่าเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขพอได้มาแล้วมันก็ถึงจะรู้แต่มันก็สายไปเสียแล้ว ใี้คุณชายส่เนื้อายดีนะพี่ชายเข้มกายกายภาพทุกวันอ๋อแต่ละวันก็ต้องมีวันเวลาของมันนะนะไม่มีใครอยู่คำฟาเตรียมตัวเตรียมใจไว้ใจดีสู้เสือแล้วเสือไม่กัดกัดก็ไม่เจ็บที่เจ็บมันอยู่ที่เราเองเราไปเจ็บเองแต่ แต่ความแก่ความเจ็บความตายนี่ม <then> ันไม่เจ็บเราไปเจ็บกับมันเองเราไปกลัวมันเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็เลยทําให้เราเจ็บที่ใจถ้าเราทําใจให้เฉยได้มันแค่จะเฉยเฉเหมือนกับเหมือนกับตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงตอนที่มันแก่ตอนที่มันเจ็บตอนที่มันตายมันก็เป็นอย่างนี้แหละใจมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเลยแตร่างกายมันไปผูก มันไปผูกกลับไว้กับร่างกายเพราะความหนงนะั่นเองผูกไ ป, ปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเ้าเราคิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายช่นกันกนแต่เรานี่มันเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนี่นที่สุดอายุมานี่ไม่กี่ไม่รู้กี่แสนล้านปีแล้วตายของเรานี่ไม่มไม่เคยตาย <c oughs> ถ้ารู้ความจริงอันนี้นะมันก็ทําใจให้เฉยได้ พยายามปลดใจใเฉยบ่อยๆพูดโธไว้บ่อยๆพอถึงเวลาที่มันจะไม่เฉยเราก็ใช้พุโทโธพอพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเฉยแล้วมันก็จะเล่นเรื่องของร่างกายไปตอนที่ร่างกายแก่ก็ลืมไปร่างกายเจ็บก็ลืมไปร่างกายตายก็ลืมไ ป, ม ไ, ปไม่เป็นปัญหาเลยขอให้เราทําใจให้ได้ใช่อืม ถ้าจำาถ้ค่เดี๋ยวลูกลูกคเคยจำนดไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่มนันเป็นเป็นเป็นความความรู้สึกเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคือจิตลมลงจิตจิตนิ่งจิตสงบแล้วนี่นะคะลูกเคยพิจารณาเอานมเนี่ยแทนจากข้างจากนี้ตา้งที่นี่จากนี้ออกมาที่นี่แทนตัวออก นี่ที่มันเข้าไปตรงนี้มันเกิดความสั่นสะเทือนไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บไม่รู้สึกว่าปวดแต่รู้สึกว่ามันเป็นการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนคือสมมติว่าถ้านีอย่างนี้กดมาตรงนี้นะคะที่เข้าไปในหัวสมองเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนไม่ใช่เป็นการสั่นสะเทือนแล้วก็ถ้าออกจากที่ไปมันก็เป็นการสั่นสะเทือนแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บไม่ได้มีความรู้สึกกลัไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นแต่รู้ว่ามันเป็นการสั่นสะเทือน มีความรู้สึกอย่นี้มีซ้าร์ส์รู้สึกคิดแต่เองไม่ได้คิดแต่เองแต่รู้สึกอย่างนี้จริงๆ่ะมันรื่อง้ของความคิดั้งน้ามันไม่ได้เป็นความจริงทาไหด่ใช่ไหมคน <c oughs> คุณน้ำไม่มีนี่ใส่เข้าไปในร่างกายคงณหรป่ไม่มีหรอกคุณจะคิดคมันขึ้นมามันก็เป็นเหมือนกับเป็นเวอร์ชวลเข้า่จไ <c oughs> ที่ที่ให้ทดสอบดูก็คือว่าทานี้แล้วใจเราเฉยหรือเปล <c oughs> ่ามันจะสั่นไม่สั่นมันจะขยับไม่ใช่เรื่องสาคัญ นังนคันที่ว่าใจเราเรารับกลับมันได้หรือเปล่ารู้เฉยๆได้หรือเปล่าทั้งหมดนเนี่ยเช่นเผาร่างกายเราใจเราเฉยได้หรือเปล่าที่ให้ตัดโหัวตัดแขนตัดขาอะไรองี้ก็ให้คิดว่าอใจเราหว่าเขียวไปกับภาพที่เราปรุงแต่งขึ้นมาหรือเปล่านันเป็นเพียงภาพที่เราทดสอบใจเราเท่เานี้น แต่ข้อสำคัญคือถ้าใจเรานิ่งแล้วเราเราก็มันก็ยับรัดได้ก็ทําการบ้าไงก็ถึงเวลาเกิดไปเจอพวกแอลเคดาแล้วมันจับเราไปตอกแขนตัดขาอะไรอูเนีเราจะนิ่งได้หรือเปล่าเป็นการเป็นการทำการบ้าการทำบ้าโอเคนะการเข้าใจหรือว่าใจเราจะผ่านไหมใจเราจะนิ่งปล่อยวางร่างกายได้ัรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราฝึกแบิอย่างนั้นบ่อยๆครับเพื่อที่จะ เรียบเป็นข้อสอบต่อไปมันก็จะไม่เลยกลัวกา ร, ร, รวเวลาถูกร่างกายถูกทรมานถูกใครเขาตัดแขนตัดขาหรือทาอะไรก็ทํำเราก็ห้ามเขาไม่ได้ขไไดขไไดเขาจะตัดก็ต้องตัดเราก็ทําได้แต่ที่ใจเราให้เฉยนิ่งเท่านี้นเองถ้าเราไม่เคยทํามันจะไม่นิ่งเลยมันจะอู้ตายเ ล, ล้ยังไ่ไปหาหมอหมอบอกจะฉีดยาให้นี้ก็ตายเลยยังไม่ทันฉีดเลยไปก่อนแล้วใจ เขาเข้าใจแล้วค่ะทุกอย่างที่เห็นในสมาธินี่มันเป็นการบ้านทั้งนั้นไม่ได้เป็นของจริงคือคือจุดประสงค์ที่สําคัญทนธรรมใจให้ธรัมใจให้เป็นอุเบกขาไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเวลาไปเจอของจริงมันจะมันจะเฉยได้แต่อที่เราทําสมาธิอย่นี้มันเป็นการทําการบ้านนั่นเอยังไม่ได้เจอของจริงเท่าไหแต่ถ้ามันทําได้แล้วพอเจอของจริงมันก็จะทําได้มันก็จะเฉยได้ คือถ้ า, ถ, าถ้าเราฝึกก่อนขึ้นไขึ้นไดโลนี่นี่ไม่ไม่ตือไม่สมั่น อ, อ, อะไรคื อ, ค, อคือรู้ว่ามันจะมันมันเป็นคือคืออย่างที่ เ, เดี๋ยนได้ท่านพายแตไมก็จะเฉยไม่ถึงกับไม่็จะเฉยใช่ออพอถึงเวล า, วาข้อขอออ้อข้อห้องก่อนเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเกิดปฏิบันิพอถึงจริงๆริงพมันจะขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะเหมือนเหมือนที่ข้อหกคู่ที่ท้านล่าสองคู่สองคู่สิง หมวยทํากันบ้านหยู่เรือยๆพี่อยู่แนวาำเสียงทำตายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีผ่าถ้านังก็เป็นทำเสี่ยงตัดแขนตัดขาก็เสื่อมไปแล้วะถ้าสมัยก่อนที่ตัดแขนตัดขาเผาร่างกายเผายังไงมันก็ไม่ไม่แต่ตอนนี้เห็นที่เท่าแล้วค่ะเห็นจะถูแล้วค่ะไม่ทุกครั้งที่เราเข้าใจแล้วค่ะท่านกขอบคุณ